เดินเลินนั่ง น, นอนปราศจากความทุกข์นน้ำไฟลมนะมีสมรรถภาพสามาชีพพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราช่องอยู่สบายไม่ปวดหัวตัวร้อนเราเที่ยวมาในวันหรือเนี่ยข้างนอกก็คือกลุ่มข้างนอก ท้างในวเกิดปุ่มในกายจิตของเรานี้ยมีดินมีน้ำไฟลมนี้ถ้าว่าลมมันมากน้ํามันน้อยอืมน่ะไปมันมากดิน ม, มันน้อยอะไรเนี้ยไม่สมดุลกันมันก็เดี๋ยวว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทีเดียวนี่เดี๋ยวอ่าสมาคมข้างนอกสมาคมข้างในอาศัยความสมาธีสิ่งกันด้วยกันอืมอันนี้ตัวเหมือนกันไอจรย์ความรู้สึกนึกคิดตัเหมือนกัน ท่านมีความพร้อมชงรุ่นบริบูรณ์เป็นสมาทิฏฐิขึ้นมาในใจเราเมื่อใดแล้วอันนั้นมันก็เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาในธรรมะความสงบมันเกิดเผยถึถยงนี้ขึ้นว่าเขานินทาเราเรากดเสียใจเขาสื่เสือเส่อเราเราก็ดีใจเนี่ยอืมเมื่อโยมเป็นอยู่เช่นี้มันก็ วิ่งกับสุขวิ่งกับทุกข์วิ่งกับความดีใจวิ่งแต่ความเสียใจอยู่ตลอดกานอันนี้มันก็เป็นโลกย่อมก็วิ่งอยู่กับโลกตลอดเวลาเนี่ยวัฏสุขสงสารเป็นวัฏตาวนมีความสุขแล้วถูกหายไปทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่เมื่อทุกข์ถึงมาตั้งอยู่แล้วสุขมันก็หายไป เมื่อสุขหายไปแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโยมก็จะไม่เป็นตัวของตัวอะไรตลอดเวลาโยมจะตกนรกอยู่บังไปสวรรค์อยู่บังอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่จบเลยเมื่อไรไ ม, ไมันจะจบอมันจบที่โยมมีความรู้ฉลาดมีปัญญาขึ้นไปกว่านั้นอีกว่าจบเรือดทุกข์อันนี้นะ อือันนี้แหละเป็นโลกอันนี้มันเป็นอารมณ์ถ้าเรารู้ว่ามันเมื่อไรว่ะไอ้สุกนี้มันก็ไม่แน่นอนพวกนี้มันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่คงจอบคงว่าถ้าโยนเห็นเช่นนี้แล้วเข้าไปยึดมันมันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่ที่อยงเพราะมันเป็นทุกข์อันนั่นเป็นปิปอนนาจาไม่เจริญจนเราเขา ถ้าเราเห็นเค่นี้โยมก็จะบรรเทาบรรเทาความทุกข์ลงได้เพราะว่าวันนี้โยมจะได้ประสบทุกข์เมื่อวานนี้โยมเคยประสบทุกข์หรือสุดฝ่า ป, ปนกันมาอยู่นี่ก็คนคนเดียวนั่นแหละอย่ายมจะให้โยมรวมเงินมาเลรวยมจะรวมกันทำมาโยมทำมาถ้าโยมเห็นว่าสุกขกับทุกข์นี่มันคนละส่วนมันมีราคาต่างกันทุขมีราคามาก ทุก็ไม่มราคาเลยถ้าโยอมเห็นเท่นนี้ยอมก็จะเป็นทุกข์มันกันก็ถูกลูกสอนท้ออยู่ด้วยไปไมนมีทางสงบทุกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมาพวนยมให้โยอมกับพิจะะารณาอืมกับพิจารณาเป็นว่าน้ําแล้วไปตามน้ําทิ้งทา้ามนะยังไม่ได้บ่งมันออกที่โยมก็เดินไปบางทีมันก็ไม่เจ็บบางทีมันก็เจ็บมันไม่ยอมอืมมัน ก, นนกนำลังพานกำลังพานอยู่มันจะจิตอยู่ อนั่นแหละโยมจะดูที่แท้จริงก็จะก็เพราะอาการอย่างนะเย่างบ้านหนึ่งโยมโยมจะไปหาหมอดูว่านี่อะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยดูให้ถนัดซะดูให้ดีซะจะจะเห็นน้าอยู่ตรงนั้นกระบวกเอาน้ํา่าวน้ํานั่นออกเนี้ยแต่พะความเจ็บปวดเช่นนั้ น, นให้โยมพิจารณาไปทิ้งตัวจริงมา น, นี่คืออะไรถอดน้นํามันออกจะได้สบายใจนี่เพราะเหตุมันดับไปอืเหตุให้เจ็บเกิดเจ็บปวด ออกแล้วความเจ็บปวดให้ออความเปรียบปวดคือผลนั่นมันตัวเองอันนี้ตัวมือนกันฉันนั้นถ้าเห็นว่าถ้าโยอมเห็นว่าทุข ก, กับทุกข์เนี่ยมันมีราคาเท่ากันถ้าเป็นวัตถุภายนอกเอาขึ้นตาชั่งก็จะได้ว่าห้ากิโลเท่าเท่ากัน่นยเนี่ยถ้าเห็นถ้าโยอมเห็นเห็ น, นยอมก็จะเลยปล่อยว่าเาข้าครังนั้นเข้าครังนี้น มีทุกเกิดเึิญมาโยมก็จะเห็นเสมอว่าอืมไม่ทุกไปตามมันไม่ตื่นเต้นถ้าทูกเกิดเชิญมาโยมกับ็พบอีกโยมก็ไม่ตื่นเต้นอืถ้าโยไม่ตื่นเต้นไสิ น, นสทั้งสองนี้ก็เท่ากับว่าราคาสินทั้งสองนี้มันเท่ากันมันเป็นโทษเสมอกันอืมนะมันเป็นโทษเสมอกันมันมีปัญหาเท่ากัน ที่มาที่มาถามเราทุกวันทุกวั น, วนเฉเพาะนี้ถ้าโยอมเห็นทั้งสองอย่างนี้เท่าเท่ากันแล้วไอ้ความเห็นต้องโยอมนันก็ถูกต้องแล้วปัญญาปัญญาเห็นเช็นนั้นแต่เป็นสัมมาสติไอ้ความเห็นเป็นผิดถูกเมื่อถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ตื่นเต้นกับความดีใจที่โยอมได้อะไรใดมาโยอมจะไม่ตื่นเต้นกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจที่โยอมได้มานั้นอะืมนะ ไอ้ความยึดมั่นถือม mm. ั่นมันก็พี้คลายออกมันก <ten out> ็พี้คลายทั้งลายออกไปเหมือนรถเหมือนรถเมื่อตะกูมันยังแน่นหนาอยู่มันก็วิ่งไปได้เมื่อยอมไปรื้อถอนมันจะตะกูมันเปลี่ยวมันจะหายมันไปพังมันออกนะนี่ก็ดุดออกรถมันก็วิ่งไปไม่ได้เมื่อโยอมเห็นอันนีจังโควังนาจาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยในความยึดมั่นถือมันมันก็พี้คลายออกเหมือนรถวิ่งไปไม่ได้อืมคือมันวิ่งไปได้เพราะมันแน่นหนาอยู่ น็อตทุกๆตัวมันแน่นหนาอยู่รถถึงยิงไปได้โยอมใจเป็นทุกข์นั้นเพราะอะไรไอ้เพราะความยึดมั่นถือมันในสิ่งทั้างในเหล่านี้เพราะยมไม่รู้นั่นเนี่ยมันจึงให้ยมเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนกัรถยกเมื่อรถเมื่อรถเมื่อเมื่อน็อตทุกตัวมันยังแน่นหนาอยู่ก็วิ่งไปได้ตามสบายนะเมื่อคลายน็อตมันออกแล้วรถมันก็วิ่งไปไม่ได้ความยึดมั่นถือมั่นของโยอมก็จะที่คลายออกบันเทามีความทุกข์นั้นมันก็ไม่เกิดเหมือนรถมันยิ่งไปไม่ได้ เพราะเราทำลายความชั่วเสียทำลายความไม่รู้ทำลายความหลงนันเสียแล้วมันได้เกิดเป็นความรู้ อ, อันนี้มันพอถึงความสงบถึงที่สุดได้แต่่าไม่ถึงที่สุดก็อยอมให้รู้จักมันว่าอันนี้มันเป็ น, น อ, อยู่แล้วใช่ไหมลูกเมื่อถูกความนินงทาเมื่อไรยงกว่าลึกได้เมื่อสือความชันเสริมเื่อนั้นจะพอจะดีใจถึโยงกึก Mm. ถ้าม enfin ีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดตาตลอดเวลาโยมก็ดิ้นได้ถ้ายอมไปมัวเล่นอยู่อันอื่นจ้ะทุกเกิดขึ้นมาโยมก็เป็นทุกเพราะสติโยมไม่มีสัมปชัญญะไม่อยู่เหมือนกันกระบ้านของเราโยมคนนี้ไปแช่ไในประตูว่ายชุนักเข้าจินมต่อสารทมนจะมาขโมยเอาของหมดทันเนี่ยเพราะไม่อยู่ที่นั่นประตูก็เปิดอยู่ประตูก็ไม่ปิดเจ้าของก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันกระเราที่ไม่มีสติ มีสติอยู่ก็มีสติไปอย่างอื่นอืมมันโยมออกจากบ้านแต่โยมก็อยู่อยู่แต่โยมก็อยู่ในบ้านโยมไปอยู่ที่อื่นอนนี้คือตรงตานสติโยมก็มีอยู่แต่โยมสติของโยมมาอยู่ในที่นี้เหมือนจันทรโยมออกจากบ้านแต่โยมก็มีที่อยู่แต่โยมไปอยู่ที่โน้นแต่โยมมีอยู่ที่นี้อืมยมันสโมยของที่นี่ก็โยมไม่อยู่โยมไปอยู่ที่อื่นสติของโยมก็มีอยู่ทุกทุกขณะ แต่ว่าถ้าิไปอยู่น่นไปทํางานาแย่างอื่นนะไม่ทําอยู่ที่นี่ใจโยมทําอยู่ที่นี่บ้างมีความรู้สึกอยู่เมื่อกรครบอารมณ์ขึ้นมันชอบใจโยมก่ารู้ก็เห็นว่ามันเป็นอนิจจงเนี่ยแต่ยึดมันถึงมันมันเลยอเมื่อประสบทุกข์ขึ้นมาโยมก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนิจจ์ทุพพิจารตาอยู่ที่นั่นกระแต่ว่าโยมกําลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นพอโยมอยู่ที่นั่นโยมจะเห็นสุขเกิดที่นั่นเห็นทุกข์เกิดที่นั่น เห็นทุกมันดับไปในที่นั่นเห็นทุกมันดับไปในที่นั่นข้อยมเข้าไปอยู่นั่นงั้นกันกรโยมยังก็บ้านอยู่ลูกนักยังมาจิ้มภาษาไม่ได้ขโมยจะมาขโมยของในบ้านไม่ได้เพราโยมอยู่ที่นั่นที่นั้นผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จึงมีสติความระลึกได้มีเสมอว่าในอืการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราทำปัญญาดูตัวอยู่เสมอว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ระลึกได้แล้วว่าบัดนี้เราทําอะไรอยู่ อืถ้าเรามีความมั่นหมายในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราอยู่นี่ตลอดเวลาโยมก็จะมีหนทางที่จะปรรลุธรรมะที่จะถอนลูกถอนออกจากใจของโยมได้อืโยมจะมีโอกาสขับตุนักตัวนั่นออกหนีได้โยมกจะมีโอกาสไร้โจรเต็มมาขโมยของเงินได้เพราะโยมอยู่ที่นั่น อือันนี้โอกาสโยมโอกาสโยมที่ไม่เสียของนั่นเป็นตัวตนนี้ที่ไม่เดือรอนอันนี้ก็อัานในฐานนั้นการรักษาจิตการตามดูจิตการประคองจิตการมีสัญญารักษาจิตของตัวนี้ตัวอย่างนั้นเหมือนกนันพี่ท่านจริงจะรู้อารมณ์อการเราจดจ่ออยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นเน่ะเรียกว่าการภาวนานอยู่แล้วนี่การปฏิบัติธรรมอยู่แล้วรู้อยู่เห็นอยู่ทุกขณะ น, นั้น โยมจะทำงานอยู k, k, birthday, ่โยมก็รู้จักจะเดินไปโรงก็รู brown, ้จักจะนั่งอยู่โยมก็รู้จักจะนอนอยู่โยมก็รู้จักอืมเพราะโยมมีวิริยะรรมะปารกความเพียรอยู่เสมอตาเห็นรูปเข้าแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรหูฟังเสียงแล้วมันเกิดความรู้สึกอย่างไรจะมูกรวงกิ่นแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรลิ้นยิ้มสดแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไร คนทพาสูท้องทางกายเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกอย่างใดอารมณ์เกิดขึ้นกับใจแล้วมีความรู้สึกไปอย่างไงเนี่ยโยมจะรู้จักอโยมนั่งยอยู่ตรงนี้ก็ อ, อยู่นี้ตาหูจมูกจิตาิตัวอยู่พร้องกันอย่างนี้ ถ, ถ้าโยมรู้ตัวโยมอยู่นะโยมก็จะบำเพ็ยอยู่ที่นี่โยมก็จะปฏิบัติอยู่ที่นี้โยมก็จะรู้อยู่ที่นี้โยมก็จะเห็นอยู่ที่นี้ ถ้าโยมไม่มีออสติสัมปชัญญะตามรู้นี่อยู่โยมก็จะโง่เดี๋ยวนี้หลงอยู่เดี๋ยนี้ไม่ถูกทางเดี๋ยวนี้วุ่นวายกันเดี๋ยนี้เพราะนั้นการปฏิบัตินี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าโยมเห็นทุกวันทุกวันพยายามเห็นเรื่อยๆไปในจิตแม่จะทํางานอยู่ก็เห็นอยู่เดินไปก็ทุกขณะให้เห็นอ ย, ย, นอยู่นี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเราจะมาเดี๋เสียเวลาไม่พูดถึงแล้วแม่ น้งพ่อผมไม่มีเวลาเลยจะทําภาวนานี้มันหนึ่ไม่เหม็นอย่าภาวนาแล้วมันวุ่นวายนะเราไปเห็นเช่นนั้นเนี้ยอืมไอ้ที่ความวุ่นวายนั่นแหละสถานที่ที่ปฏิบัติสถานใดมันมันร้อนอยู่ที่ไหนนี่ยมันเย็นอยู่ที่นั่นเราไม่รู้เรื่องเันถ้าเห็นมันมันร้อนเกิดขึ้นมันก็มีแต่ร้อนไม่เคยเย็นนะไอ้ความเป็นจิงมันยุ่งอยู่ที่ไหนมันสงบอยู่ที่นั่น ถ้ามันเสีดอยู่ที่ไห น, vorne, ม, นมันกรถูกอยู่ที่นั่นถ้ามันวุ่นวายอยู่ที่ไหนสงบไปอยู่ที่นั่นมันอยู่ที่นั่นดูดูสิเอาสิถ้าหากว่าโยมทําอะไรที่มันผิดผิดตรงนั้นโยมไปแก้ตรงไหนอะเอาอย่างอย่างอย่างรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนี่ยมันเสียตรงนี้ตรงนี้มันเสียโยมจะไปแก้ตรงไหนล่ะนั่นใจที่ตรงเสียแก้ตรงที่มันเสียนี่ย มันจะดีขึ้นอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่อื่ น, นะ่ะแกะตรงนั้นแล้วผิดอยู่ตรงไหนนันจะถูกอยู่ตรงนั้นเนี่ยอืมเนี่ยทีนี้เราประสบอารมณ์ที่ไราชอบใจตรงไห น, นแล้วก็ปฏิบัติตรงนั้นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่เพระาะมันนะถูกแล้วไปสุขมาแล้วทุกเราไปทุกมาหลายพลังลายหนแล้วก็เท่านี้มก็ไม่เป็นไรต่อไปอีกไม่ใช่ทุกเท่านั้นเนี่ยเนี่ยถ้าเราคิดไม่ถูกจะนี้มันก็เป็นไปตามสภาวะอันนเรื่อย ไ, ไปนี่จะนั่นไม่จะ การภาวนาไม่เป็นอาการดีโกเพราะว่าคนคนทุกตัวคนนึกว่าเข้าใจว่าการภาวนานึกว่าจะนั่งจะมาชี้นั่งดับตาแล้วก็ภาวนามาแห่ไรมากวนไปคิดว่าอย่างนั้นจะไปนั่งอยู่ในการงานมันก็นั่งไม่ได้เขานึกว่าเราไม่มีโอกาสไอ้ความเปจริงนั่นไม่ใช่การนั่งเป็นนั้นภาวนาไอ้เรื่องทํากิจให้รู้คุวกวิริยาบถนั่นตรงนั้นตรงปฏิบัติ เมื่อเขาดาโยมอยู่ที่ไหนนั่นแหละที hmm. ay, ่ปฏิบัติจริงตรงนั้นเมื่อเขาชั้นเฉลิมโยมที่ตรงไหนที่ตรงนั้นเนี่ยอโยมจะดีใจไอ้ความดีใจนั้นแหละมันเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งอีกไอ้ความเสียใจนั้นแหละมันเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งอีกโยมก็จะเห็นจริตรงนั้นเนี่ยตรงโยมที่จะเห็นเนียจะได้รู้ทั่วถึงเนี่ยั่นคือตรงตรงที่ปฏิบัติตรงๆอืมอเป็นผู้เห็นอันนี้โยมจะเห็นความจริง ไม่ต้องไปอ่านตำดาไม่ต้องไปยึดมั่นตำดาอันนั้นมันเป็นความจำไม่จะเอาความจำมาพูดไม่จะเอาความจำมาเล่นอืถ้าพระพุทธเจ้าจ้องการความจริงให้เห็นความจริงเช่นนี้ไอ้ความจริงเช่นนี้ทัานบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราโอคพลายโยโออาการน้อมธรรมารทุกอย่างอืมน้อมธรรมะเจตัวเราน้อมธรรมารน้อมธรรม า, ร ม, ารมันเพตุอยู่ที่นี้อืม มือเหยียดเป็นให้น้องเข้ามาถ้าไม่น้องเข้ามามันไม่รู้จักถ้าไม่น้องเข้ามามันไม่รู้จักมันไม่เห็นมันก็ให้โทษคนอื่นเรื่อยไปให้โทษคนนั้นคนนี้เรื่อยๆไปอือย่างว่าเรามีบุตรนะ <c oughs> นเรามีบุตรนะเจ้าก่อนเราเป็นคนโสดอยู่นะแล้วก็อยู่คนเดียวตนะอนนี้ก็ไม่สบายใจนึกๆไปมีแม่บ้านก็จะสบายนีย่ความคิด แตแม่บ้านเนี่ยแม่บ้านก็ไม่สบายนานพอจะเกิดลูกก็มอีหลายคนมันบุ่นวายเพราะลูกกับเมีย น, นี่แหละนะเรื่ว่าของมันเรื่ยไปอันนั้นมันไล่ไปว่าเพราะเมียทําไม่ดีมันบุนนนบ่นวายเพราะลูกทําไม่ดีมันมันจึงบุ่นวายเพราะอันนั้นเนี่ยังงั้นเราก็อยู่สบายแล้วแล้วเราคิดอยู่ทีหนึ่งว่าเมีย ใ, ใ, ใครเอามาเขามีพ่อแม่อยู่ที่อื่นนะใครเอาเข้ามา <ünk. S 1> เราไปเอามาเองลูกมีใครสร้าง ม, ามันมามันจึงวุ่นวายนะเนี่ยนั่นให้น้อง ม, มาโอมีเราไปสร้างเาปง็นมาลูกเราก็สร้างเป็นมาบัดนี้เราก็ลืมไปใช่ว่าลูกมันวุ่นวายเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะลูกเป็นเหตุให้เราวุ่นวายเพราะเมียนะอันนี้มันไม่เห็นจต่ของเนเ้อจิตแต่ของไว้เราไม่มีโทษเลยลูกมันเป็นโทษเมียเป็นโทษเราก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เห็นไอ้พ่อไม่เกี่ยงเหตุมันเกิดจากเรานะ เราไปมีเมียมาใช่ไหมลูกมันเกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างมันขึ้นมาต่อหาว่ามันเป็นทุกข์เพราะเมียนะเป็นทุกข์เพราะลนะูกใช่ไหมเราส่วนจริงๆเราถูกส่วนหนึ่งนะลูกก็ฟังกันแต่ว่าถูกถูกอย่างผิดไม่ใช่ถูกอย่างถูกถ้ามันถูกอย่างถูกแล้วก็จะว่าเพราะเราเอามาสร้างขึ้นมาเนี่ยนละูกตัะเราสร้างมันขึ้นมาต่อเพราะเราตัวนี้เราเป็นเหตุเองถ้าเรารู้จักว่าเหตุสิวนจำเป็ตรงนี้อเป็นตรงนี้ แก้ไปแก้ตรงโน้นแก้ตรงนี้เมานอกก็มาเห็นอยู่ทำให้นอกก็นอกมาไปมั้งค่ะเพราะเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเป็นทุกข์ทำมันนอกบอกทํานี้พระพุทธเจ้าเป็นแต่โอปัญายโกให้น้องขก็มาน้องก็มาเพราะอันนั้นมันเป็นผลน้อมไปเห็นเหตุเรานี่เองเป็นตัวการอเราไปสร้างเป็นมาอืเป็นเหตุเราไปสร้างเป็นมาแล้วก็เป็นเหตุเราไม่ดูเรื่องเราคุยเรื่าเหตุอยู่ที่โน้น ม, ม, มันมันมันมันมันปลกปิดความผิดวายโตปกกิดตัวเข้าไปดึกเข้าไปอีกยังไม่ค้นคว้าไม่เห็นเลยไเบเกิดทะเลาะกับเมียเกิดทะเลาะกับลูกไปโน่นนี่เขาเห็นว่าโทษมันเกิดมาจากโ น, น้นนั้นเป็นโลกมันยิงว่างออกไปเรื่อยเรื่อยถ้าเราน้อมทํามาธิเราเพราะเราจริงติดลานปั๊บตนมาเนีน่นนไอ้ความผิดที่ตรงไหนต้องแก้เราดีกว่าเบธมาให้กูปัพวาณ ทำมันเกิดพ่อเหตุมมันเหตุพ่อเราเป็นเหตุพ่อเรามันจึงมีเมียมีลูกอืมเนั่ถ้าเราเห็นเป็นนี้โอทํามันเกิดเพราะอันนี้ดังนั้นเราจึงมาละก็เปียกนั่นเสียที่ตัวของเราเนี้ยเราจําไว้มีแต่พ่อเรานะนั่นแต่พ่อเรา้าเหตุที่ไม่มีผลมันก็ไม่มีฐานะที่เมื่อธรรมะตั้งน้อมกลมาอย่างนี้เห็นอยู่ที่ตัวของเจ้าของไม่ได้เห็นอยู่ข้างนอกมันเห็นอยู่ภายในในจิตของเจ้าของจะเพี้ยงไหม ก็จะตามดูไปเรื่อยๆไปมันก็จริงทั้งนั้นแหละถ้าหากว่ามันจริงเช่นนั้นจะทําไงเนี่ยแล้วก็ต้องปฏิบัติทำเพื่อการปล่อยวางสอนเมียก็สอนพอสมควรอืสอนลูกก็สอนพอสมควรสอนให้ทุกส์เกิดขมาให้มีความสุขเกิดขึ้นมาต่ว่าเป็นเราอืมแล้วจะปล่อยวางมันเลยก็ไม่ได้ลูกเนี้ยต้องสอนมันต้องว่าให้มันให้มันเป็นคนดีขึ้นสอนมันเพราะอะไร ให้ทั้งตั้งใจแล้วจึงสอนให้รูปตัวแล้วจึงสอนเหมือนกับช่างหม้อเขาตีหมออ้อตรงนั้นเขาตีหม้อทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเขานะ่ะกระทั่งวันเขาตีหม้อกายเพราะอาชีพเขาเป็นนายช่างหมอ้อตีกระทั่งวันเขาตีไปให้มันแตกตีให้มันเป็นหม้อนี่คนมันตันเราสอนลูกสอนเมียเราไม่ใช่ราปล่อยมันหมดจำสอนมันแต่สอนต้องตั้งใจแล้วจะสอน น่าจะสอนเมื่อไรให้มึงถึงในทางหม้อหม้อมันตีหม้อทําไมตีเพื่ออะไรตีจะให้หม้อแตกหรือตีจะตีให้มันเป็นหม้อคิดดูสะกทีเนีมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาเมื่อไรยันเราจะสอนรูปสอนเหยียรเราก็รู้สึกทางหม้อเหมือนนั้นแล้วก็ค่อยสอนมันก็ค่อยบอกมันถ้ามันไม่ตีมันก็ไม่เป็นหม้อใช่ไหมไดตีไล้ให้หม้อแตกอันนี้เมืนถ้าไม่สอนมันก็ไม่ได้อสอนให้มันเกิดประโยชน์เดี๋ยวสอนให้มันเกิดโทษเรา เราก็รู้ากอย่างนั้นน่ะเ็าเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะอยู่แล้วปัญหาไม่เป็นเช่นนั้นมันแก้ที่เรานเนี่ยนีลยเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องนึกอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนั้นจริงไมยึดอัดข่องอะไรไหมถ้าหากว่ามีบุตรอยู่แล้วภรรยายอยู่แล้วแล้วก็บุตรและภรรยายนั้นยังมีความทุกข์อยู่แล้วก็ยังมืด อ, อยู่แล้วก็ถ้าหากว่าบิดาหรือว่าหัวหน้าครอบตัวเนี่ย ไปตัดช่องน้อยเฉพาะตัวเนี่จะถึงโท่สุดตัดยังไงตัด<า><พ>อำนวนเท่าไหร่หายถึว่าทิ้งออกไปทิ้งไปอยู่ที่อืน่นไปเพอย่างไปอุปสมบทเยอยเนี่ ย, ยแล้วก็ไปกระเพิดปฏิบัติธรรมอยู่เที่แคนูนซึ่งไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่เรียบร้อยพอออันนี้จะเป็นโทษอันนี้เราคิดยังไงเราหวังยังไงว่าเราจะออกไปอย่นั้น ครับผมว่า ต, ต้องการอยากจะมาประพฤติปฏิบัติในธรรมแต่เพีเดียวอืโดยที่ภุและภรรยานั้นก็ยังมีภาระอยู่ะยังไม่เรียบร้อย อ, อย่างนี้จะให้โทษจะตอเองไนหะมบิดาให้กับภรรยาตัพพินอันนี้ไมนมีพันธะอะไรเนี่ยถ้าเราคิดเป็นปุถุชนถ้าเราไม่โกรธถ้าเราไม่เสียถ้าเรามีคว า, าม ม, มุ่งหวังอย่างพระพุทธเจ้าของเรา มารลาก็ไม่ท้องเหยียดดาก็ไม่ซ้อมทำนายาก็ไม่ไม่เห็นซ้องทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าของเราทั้งนี้ไม่เป็นตำเพราะท่านทําเหนือสิ่ ง, งไหนเหยียดใจที่ท่านจะออกไปนั่นน่ะท่านเหนือสิ่งทั้งหลายแล้วว่าการออกไปด้วยการกระทาเช่นนี้อืมไม่ใช่ว่าท่านทําเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ท่านทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ แต่ก็บุุลทุกกรตลอดพ่อแม่ลูกเมียทั้งหมดไม่ใช่ตัดท้องน้อยไปเฉพาะตัวเมื่อความคิดของคนอย่างเนี้ยก็ต้องคิดเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านคิดอันนี้หนึ่งละคนอันนั้นท่านก็ไว้มีตามถ้าเราคิดเป็นมหากรุสจริงๆนะเพื่อรื้อสัดวขอนขอนสัดเพื่อทำลายนจะิีมาณะ เพื่อแนะนํำคาสอนประโยชน์ตนให้ทนได้สร้างประโยชน์ลูกเมียอะไรในทางธรรมะนะอืมการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรพโทอที่จะเกิดขึ้นมาที่เกิดจาเพ่อะเรารับออกมาเรื่องโลกเกินทาก็เป็นธรรมดาของโลกข้อความเห็นเช่นนี้อือันนี้ยากคนที่จะต้องเห็นได้ที่นี่ถ้าเราจะพูดถึงภาระของลูกเมียเมื่ อ, อไรมันจะจบมันจบตรงที่ตรงนั้นอีจบนอนดี <laughs> ในพาละของดุของเมียนั่นน่ะเมื่อไรมันจะจบนี่เมื่อไหรจะจบถ้าไม่หมดกีเดืนเนี่ยมันก็ไม่จบเนี่ยเรืกันที่คนสมัยโบราณกล่าวว่าเลี้ยงลูกไม่โตมันมันไอการงานในโลกมันจบที่ตรงไหนลองมันจะอืมเนี่ย่ดูเรื่องของโลกมันจบตรงไหนที่น่าจะว่ามันเป็นวันปมาวนี่นั้นเนี่ยนั่นยัง เหมือนปากกระโจนไปเนี่ยถ้าแมลงมันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยตลอดกันมันก็ไม่จบนะหลายชีวิตมันก็ไม่จบตลอดทุกๆุชีวิตมันไม่จบเพราะว่ามันกลมอย่างเนี้ยเมื่อมันกลมเช่นเนี้ยมันก็มีภาราดติดต่อกันเรื่อยไปแต่ว่าทางมันไปเช่นเนี้ยมันก็กลมเแท้มันไปตายแล้วแต่มันกลมมันจบไม่ได้เมื่อหากว่าแมลงไม้เอที่มาตายตามขอบกระโจนเนี้ยนี่มันก็ไม่มีเวลาที่จะจบ แก่ใจมันก็เรียว่ามันจะจบอยู่แล้วไงแต่ว่ามันเห็นผิดไปแต่ว่ามันใม่จบแต่มันว่ามันคิดว่ามันจะจบเราคือเหมือนกันไม่เดินในวงกลมอันนี้ก็นึกว่าวันหนึ่งมันจะจบคนนึกว่าวันหนึ่งมันจะจบเรื่องเดินทางนี่มันไม่จบแต่เพราเรื่องต่างศาสนาไว้ไม่จบแล้วก็จะออกไปเมื่อพอสมควรเราก็ออกนี่มีอยู่จะเดินทางต้นให้จบไม่จบมันไปค้องมันอยู่เหมือนท่านท่านเปรียบว่าันเหมือนบัวตะเพียนอืมแอก เอาวางบนคอวัวม่อดันไปนะล้อเพียนมันจหมุนไปเรื่อยๆไปนะเมื่อวัวดันไปมันหยุดล้อเพียนมันจหมุนไม่หยุดเมื่อล้อเพียนมันหมุนไม่หยุดมันก็ทับรอยโคอยู่ตลอดเวลาไปแต่ละล้อเพียนนั้นไม่โตไม่นักละมันเด็กๆคนนี้นะแต่มันกลมถ้าวัวดันมันไปเรื่อยๆไปลากกันไปมันก็ไม่จบแต่มันทําให้ยาวได้นะมันกลม เราเปลี่ยนมันทําไใ้ยาวไปได้ยาวไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเปลี่ยนมันก็ยังไม่พังนะคนขับก็ยังมีอยู่นะอืมบัวมันก็ยังมีอยู่นะเมื่อไรมันจะจบมันก็ทางเปลี่ยนมันก็ทางเจ้าของเปลี่ยนมันก็ทางบัวมันก็พันกันไปเรื่อยๆกระตัดขี้งกันไปเรื่อยๆลอเปลี่ยนก็หมุนทับรอยโคไปเรื่อยๆไม่มีทางจบเนี่ยเมื่อไรมันจะจบ อ, นะอืเมื่อเอาแอกออกจากคอวัวแล้วนั่นแหละรอบเพียนมันจะหยุดหมุนเมื่อรอเพียนมันหยุดหมุนแล้วมันจะไม่ทักคอยโคเนื้อโคก็ปล่อยมันออกไปก็้าของเพียนจะของโคคนนี้ออกไปคนได้ย่างโว้ก็สบายใจมันมีรากเยียนไปอืเจ้าของเพียนเจ้าของวัวนั้นก็ไม่ลำคานคนนี้ไป ไอ้เปลี่ยนตรงนั้นมันก็หยุดอยู่นานไปนานไปนานไปมันจะไม่เป็นเปลียนนะมันจะเป็นดินมันจะเป็นธาตมันจะพังบางทีนั่นนั่นแหละ้างเลือกกันจบอยู่ที่ตรงนั้นถ้าว่าอันนั้นให้จบก่อนอันนี้ให้จบก่อนไม่จบตกอืมรอบเปลี่ยนยังมีอยู่โคยังมีอยู่เจ้าของเปลี่ยนยังมีอยู่จับปัดสิ้มไปเรื่อย ห, หาทางจบไม่ได้ ตาเอาแอะออกจากคอโคแลคอวาแล้วนั่นนะเย็นกว่หยุดหมุนเนี่ยอันนี้ตัวมันกันอันนี้เห็นไหมอืมไอ้ความอยากนะไอ้ความอยากฟังไันอยากอะไรมันจะโตกว่ามันอยากมันอยากมันอยากมอ้าอย่างนี้ฟังแต่ว่ามันอยากมันอยากไม่หยุดจบมันไม่มีทางจบอยากอะไรโตกว่ามันตันหาไม่มีอะไรมันมีอะไรจะโตกว่านี้อีกใหญ่เท่าไรไม่ใหญ่กว่าตันหา อืนัตถิตัญหาสมานาทีแม่นม้ําเต็มเม้่อเยปัญหาไม่มีนัตถิปัญญาสมาอาภาอืมแข็งสว่างเส็มเมืวอเลยปัญญาไม่มีอนัตติตัญหาสมานาทีแม่น้ําเส็มเมื่อเยปัญหาไม่มีนั่นเป็นสิ่งนี้อืมปัญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสองอย่างนี้มันฆ่ากันในตัวมันจบบางคับให้จบอืในน้ําทั้งหลายมันไม่เสมอด้วยตันหาตัรหายนี่อยากเรื่อยไปหานีมาได้เนี่ยในรถอีกคันนี้มาแล้วไปจะพอแล้วมั้งก็หามาได้เออดีใจมันก็ให้หาดีหายาไปอีกการหานี่ได้มาก็ตันไว้ตันนีไว้ก็ไปหาไปอีก หานั่นได้มาดึกวืมันจะพอได้มามันก็ตามไปอีกมันตามเนี่ยังก่อนหาไปอีกมันตามเนี่ยกว่าหาไปตามเนี่ยกว่าหาไปได้แต่เรียกว่าตามหาอืมนาทีตามหาสมานาทีแม่ห้ามเสมอด้วยตัมหาในี้ปัญญาสมาอาภาแจ้งสว่างเสมอด้วยปัญญาในมือสองอย่างมันเป็นคู่กันสร้างความสว่างขึ้นมันจริงผมทักกว่า็มืดได้ ถ้าความเมื่อยจะมีแสงสว่างเนี่ยมันก็มีเนียกว็ตั้นหาคือความอยากมันก็ไม่จบไม่จบคือตรงไหนไม่มีทางที่จบถ้าปัญญาเราไม่รู้เห็นตามจริงๆได้มันก็ไม่จบเรื่องจบนี้ไม่มีจะหาอให้มันทำมันนั้นเนี่ยมันเสร็จก่อนทั้ำนี้มันเสร็จก่อนเรื่องการเส็บในโลกมันมีการงานการงานให้จบในโลกไม่มีทุกชีวิตไม่มีจบเรื่องมันจบเพราะมันเป็นวงกลม มันก็บเปลี่ยนมันก็เลยไม่จบคงจะเป็นเงินมัง้งติคิดดูก็ได้เดเลยวแต่ ว, าว่าพอสมควรอไม่เช่ว่าหาหาจักรจั๋งบัตรมาที่นี่พอแล้วอ ม, มันก็ไม่พออีหาต่อไปอีก อ, อย่างทานอาหารวันนี้เออเอาละพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคงให้มันก็หาหาอีก